นะซึ่งทำให้บางทีเนี่ยคุณอยากจะได้อย่างนั้นคุณไม่ได้หรอกถ้าบุญบา ร, รมีไม่พอมันก็ไม่ได้นะมันอาจจะได้เป็นประกาศแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นคนนะแล้วเป็นประกาศเป็นประกาศเสร็จนะจริงคุณอาจจะได้สีสันอย่างนั้นซึ่งอันนี้พูดไม่ง่ายเหมือนกันแต่อยากจะบอกให้คุณฟังว่านะ่อย่าไปติดอย่าไปผูกพันลักษณะที่มันมันไปในทางลบไปในทางไม่ดี ถ้าคุณไปติดในลักษณะที่มันเป็นมิจฉาทิฐิในด้านลบเนี่ยคุณก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันก็ได้เหมือนกันเหมือนกันถ้าคือคนเราไม่ได้เลวตลอดนะนน 2, น oh, บางทีมันก็มีบุญกุศลอยู่บ้างนะมันมันปลอมปลอมเปรเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยคุณอยากได้อย่างงี้คุณอยากได้อย่างนี้คุณอยากได้อย่างงี้บางทีมันก็ได้เท่าที่บุญคุณมีเหมือนกันเออมันก็ได้บ้างเหมือนกันเน่ยมันก็ได้อย่างที่อยากจะได้นะแต่ คุณไปปักเอาไว้ในทางลบซะแล้วในทางไม่ดีอ่ะคุณได้มาน่ยมันก็ไม่ตีตามที่ได้มันเห็นไหมบางคนเนี่ยโอ้โหเป็นคนสวยหรือว่าเป็นคนหลอ่อแต่โอ้โหโชคร้ายมากๆเลยคุณเห็นไหมละ่ะเพราะว่านเนี่ยเนี่ยจะเอาแต่รูปของมันไงซึ่งบางทีบุญที่ทำเอาไว้อ่อมันก็พอจะมีบิบากบุญที่ทําให้ได้รูปอย่างนั้น แต่คนนี้จะเอาแต่รูปจะเอาแต่รูปเพราะงั้นบุญของคนนี้พอได้รูปแต่จิตใจไม่ได้ที่จิตใจนี่ส่วนของมิจฉาทิฐีก็ยังมากเลยเพราะฉะนั้นนาองค์บาปองค์บาปนะไม่ใช่องค์บาปไม่ใช่หนังเรื่องใหม่นั่นนะอันนี้องค์บาปองค์บาปที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวเฮอะมันเล่นคุณละ วันกูไปดูสิโอโ๋บางคนนี่โชคร้ายเคราะห์ร้ายมากๆนะแม่จะรูปร่างหน้าตาดีสวยโอ้โหแต่วิบากกรรมที่จะต้องชดใช้นะบางทีโดนปุยยปุย้ำมัม่งโดนหลอกมั่งโดนโอ้โหอะไรสารพัดโอ้โหเลวร้วายไม่มากเลยตวงข้ามเลยนะกับบางคนบางทีกิเละกิเล แม่แต่อยู่แสนสุขสบายในชีวิตนี้โอ้บางทียังมีกินมีใช้มีอะไรสบายน่าได้ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องมีใครมาลวนลามไม่ต้องมีใครมาข้องแวะมาเล่นงานอะไรเลยอูย้ยมีความสุขมากเลยวัรนี่เนี่ยมันมั น, ม, นมันซับซ้อนแบบนี้แต่พยายามอันนี้เน้นให้คุณฟังให้คุณเข้าใจในแง่ ที่เรียกว่าเนี่ยุญอย่าไปสร้างจิตที่มันเป็นไปในทางวิชาทิฐิแล้วก็ไปก่อไอลักษณะจิตวิญญาณที่อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้เอาไว้ผ mm ู hmm. ้เจ้าท่านใช้เลยนะท่านใช้ว่าใครเนี่ยที่ไปตั้งจิตไว้อย่างเนี้ยบอกว่าเลวผู้เจ้าใช้เลยยิ่งคนที่มีบุญบารมีพอหมายถึงว่าสร้างบุญสร้างกุศลไว้พอ mm hmm. แต่ เนี่ยไปหลงมิจฉาทิฐิในแง่ที่ว่าโหอยากให้เป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ในแง่บางทีลาบยศเสรเสริญสุขแบบโลกโลกอะ่ะแบบโลกีเนี่ยใช่ไหมไปหลงในลักษณะนั้นทําดีมาพอขนาดนึงเหมือนกันเสร็จแล้วไปหลงอย่างนั้นเขาก็จะตั้งจิตปรารถนาว่าเออถ้าตายไปแล้วก็แหมขอให้รวยขอให้สวยขอให้เป็นอย่า ง, ง น, นั่งนี้โอ้จะตั้งอย่างงี้จริงๆแล้วผู้เจ้าบอกว่าก็จะได้จริงจรด้วย เพราะพูด ง, ง่ายๆว่าที่สั่งสมบุญบา ร, รมีมามันมากพอที่จะได้อย่างนั้นแต่พู้เจ้าบอกนี่แหละคือความเลวนี่แหละคือความซวยของคนคนนั้นเพราะคนนั้นจะได้อย่างนั้นจริงๆแต่อที่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นโลกียะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนนั้นก็จะต้องไปหมุนวนกลับไปหาโลกีโรคๆนะอีก หลายเลยอีกมากเลยกว่าจะเดี๋ยวจะค่อยๆกว่าจะรู้ตัวกว่าจะค่อยๆข ย, ย, ยับขึ้นมาสู่โลกุตละอีกไม่ง่ายคุณเห็นไหมละ่ะคนรวยน่ะยิ่งทั้ง ท, ทั้งรวยยิ่งทั้งทั้งสวยยิ่งทั้งทั้งเก่งอา้าวอะไรอีกแต่ดีนี่ไม่ถึงกับดีมากอะ่ะใช่ไหมเอาแบบธรรมดาเนี่ยโอ้โหคุณไปอยู่ในโลกคุณอยู่ในสังคมเป็นไง โอ้อันตรายมากนะทั้งหมาป่าทั้งอะไรอ ะ, มะแมลงพึ่งนะถ้าเปียบผู้หญิงนะทั้งหมาป่าทั้งมแมลงพึ่งอะไรเตรียมงาบตลอดเลยทั้งทั้งตอมทั้งต่อยทั้งเตรียมงาบตลอดโอ้อันตรายมากมากอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยต่อให้เป็นผู้ชายด้วยใช่มเผือเผื่อผู้ชายก็โดนไล่ตะคุบเหมือนกันนะ ผู้ชายทุกวันเนี่ยใช่ไหมโอ๊ยโดนไล่ตะคุบน่าดูเลยเห็นไอ้พวกเนี่ยนะอะดาราหนังนักร้องหรืออะไรคุณดูสิผู้หญิงจะไม่เท่าไหร่นะรู้สึกเห็นไหมเพราะว่าไอ้พวกผู้ชายไม่ค่อยวีวายไม่ค่อยเข้าไปบารุมมาตุ้มเท่าไหร่อะหมายถึงว่าดาราผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดาราผู้ชาย โอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกผู้หญิงนี่ละปรากฏคุณไปดูสิส่วนใหญ่เห็นไหมล่ะสังเกตไหมโอ้โหเข้าไปลุมทึ้งจริงๆนะคุณเสื้อผ่งเสื้อผาขาดกระจุยเลยแล้วยิ่งทำไมห้ามกันนะโอ้โหตายไอดาราหรือนักร้องคนนั้นตายแน่โอ้โหเขาต้องใช้ตำรวจจะไปกันอย่างหนักเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า ฤทธิ์ของจิตวิญญาณของผู้หญิงเนี่ยที่มันหลงเนี่ยเนี่ยมันโมหะเนี่ยที่มันหลงเนี่ยมันมากกว่ามันหนักกว่าอย่างของพวกผู้ชายรับผู้ผู้ชายมันก็ไอ้นต่เหมือนกันนะแต่มันไม่บ้าบอคอแตกขนาดแบบผู้หญิงโย่โหจะไปออกันที่สนามบินไปรอต้อนรับไปอะไรโอ้ยไม่บ้าถึงขนาดนั้นอะผู้ชายมันมันมันหลงหมายถึงว่าเอาขนาดว่าว่าพอๆกันนีงนะ เอแต่ผู้หญิงจะหลงมากกว่ามันกูไปดูอะผู้ชายก็มีมีอยู่ในพวกนั้นแหละแต่น้อยส่วนใหญ่ผู้หญิงเกือบทั้งนั้นแหละแล้วก็หนักข้อเลยถึงบอกโอ้โหรุมถึงจริงๆวิ่งไล่ตามบางที่อยู่ที่ไหนนี่โอ้โผยามเลยนะพะนั้นีนี้ผู้ได้ฟังในแง่ของเรื่องจิตวิญ ญ, ญาณที่ว่าอย่าไปสั่งสมไอ้สภาวะจิตพวกนี้นะเอาตอนนี้ปรากฏว่า พอพอท่านเนี่ยใช่ไหมไปว่าเสร็จแล้วท่านก็เนี่ยตกนรกหมกไหมเหมือนกันจนกระทั่งนี้ต้องชดใช้ตราบกระทั่งถึงสมัยของพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมนี่มาแล้วนะมาถึงยุคพระพุทธเจ้าแล้วนี่อาตมาไม่รู้ว่าเขาเว้นพระเจ้าองค์อื่นมาอีกหรือเปล่าเนี่ยจนมาถึงนี่แสดงว่าโอ้โหอีกไม่รู้กี่กี่พันกี่หมื่นปีมาเนี่ยเนี่ยเนก็สังสม จนกระทั่งติดหนี้ติดเวรติดกรรมผิดอะไรมาเรื่อยๆนะชดใช้ไปบ้างอะไรไปบ้างจนมาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้านะท่านปรากฏว่าคราวนี้ชาตินี้นี่ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลของคนทุกข์เข็นเสถียบิบากที่ว่าร้ายแก่พระอรหันต์นั้นก็ยังทำให้เขาชมชอบเคี้ยวกินคูดตั้งแต่เด็กๆแม้พ่อแม่ จะให้บริโภคข้าวสุกเขากลับทิ้งข้าวสุกไปเสียนี่ขนาดว่าต้องชดใช้นี่เวรี่กรรมไปมากแล้วนะแต่พอมาชาติชาติของพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมนี้ยังปรากฏว่านี่ขนาดเสดแล้วนะเสดวิบากใช้ไปจนมาเหลือเหลือในชาติสุดท้ายนี่แหละปรากฏว่ากูดูตั้งแต่เด็กเลยนะยังชอบกินเลย ยังชอบกินเนี่ยพวกคูดพวกอะไรเอ้แม่เด็กบางคนอะ่ะมาถ่ายออกมาเสร็จนะขยำเล่นเสร็จเอาเข้าปากกินไอเราอาจจะแย่ yeah, ใช่ไหมแต่เด็กว่าเที่ยวกินอะไรมันตามเรื่องมันไม่สนใจอะไระเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยชาตินี้ท่านก็ โ, โหกินพ่อแม่จะพยายามไม่ให้กินไม่ให้กินนะเอาข้าวเอาขานมนมเ น, มนอยอะไรต่างๆมาให้กินยังไง ยังจะไม่ยอมด้วยข้าวเครของอื่นเนี่ยเอาทิ้งเลยพูดง่ายๆว่าไม่อร่อยนะสู้อึอของตัวเองไม่ได้อึอของตัวเองอร่อยกว่านี่นี่คุณดูี่บากอาจมาบอกแล้วว่ามันสั่งสมในจิตแล้วเนี่ยคุณมันมันติดจริงๆเลยนะคุณสั่งสมอะไรวามันก็ติดหนึบอยู่อย่างนั้นอะ่ะเพราะงั้นคุณจะไปเกิดชาติไหนก็ตามคุณจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ ไอ้ที่มันติดเอาไว้อยู่ในจิตวิญญาณคุณเนี่ยมันก็ไปทำงานต่อตามนั้นนะติดชอบอย่างนี้มันก็ไปเอาอย่างนี้อีกนะก็จะเป็นลักษณะนี้อยู่ เ, เรื่อยไปเศรษตานนี้พอเติบโตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังยินดีในการกินคูดทำให้เครือญาติเบื่อนายระอาเพราะไม่อาจห้ามให้เขาเลิกกินคูดได้ในที่สุดจึงขับไล่เขาออกจากครอบครัวโอ้โหคุณคิดดูเอาแล้วกัน ไม่รู้เวรกรรมจริงๆอะนะโอ้ติดก็ติดอย่างไัจริงๆเห็นไหมอย่างบางคนเนี่ยที่เป็นกระเทยหรือเป็นอะไรเด็กๆมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นเลยใช่ไหมแต่จิตมันมีอะบางทีพ่อแม่เอ้ยผู้ปกครองเอ้ยวูหูพยายามนะพอเห็นท่าทางวิวแววแล้วไอน้นี่ชักจะอะไรละเบี่ยงเบนแล้วนะบางทีโอ้โหพยายามอย่าเลยพยายามอย่าเลยไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นทํำยังไงบางทีฝืนมันไม่ไปเลย ในที่สุดมันก็เป็นจนได้เพราะว่าจิตมันมีจริงๆแล้วนี่ก็เหมือนกันเนี่ยในที่สุดเขาไม่ไหวละ่ะไม่รู้จะแก้ปัญหาได้ยังไงเลยแล้วแก้ยังไงมันก็ไม่หายด้วยก็เลยต้องไล่ออกไปเลยไม่รู้จะทำไงละอันนี้เหลือเพียงลำพังคนเดียวเขาจึงออกบวชเป็นพวกนักบวชเปลือยไม่อาบน้ำใช้แต่ฝุ่นละอองทาตัวไม่มีการตัดผม แต่จะใช้การถอนผมและหนวดจะยืนบำเพ็ญอยู่ด้วยเท้าข้างเดียวงดการนั่งบริโภคอาหารเดือนละครั้งกินแต่คู่แท่งเท่านั้นไม่ยินดีอาหารที่เขาเชื้อเชิญคือเขาเคารพศรัทธาเขาจะเชิญท่านให้นิมนต์ท่านไปฉันไอ้หนใหยน้นี่ไม่เอานี่ยเนี่ยเป็นลักษณะพวกนิดครนละเนี่ยนะแต่อันนี้หนักรู้สึกจะหนักกว่าซะอีกเนี่ย นะเป็นพวกชีเปืยเสร็จโอ้โหตะบะตะบะาอันนี้เราเรียกว่าอะไรตะบะแบบไหนเ อ, อเป็นตะบะนรกนะหรือเป็นการที่พูดง่ายว่าเป็นความตรงไปในแง่ที่เบียดเบียนทำร้ายตัวเองมากเกินไปแต่เ ข, เขายินดีพอใจนะเนี่ยเนี่เนี่ ย, ย, ย, ยความเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันยินดีพอใจทั้งๆทีทท่จริงๆแล้วโอ้โหบา้บาบา้บาบบแล้วมันเกินไปแล้วแต่ยินดี ทำแล้วมีความสุขทำแล้วชอบ ท, ทั้งที่ลําบากนะแต่ชอบไม่อาบน้ำเลยเงี้ยเอาฝุ่นมาอาบเอาฝุ่นมาอาบตัวเงี้ยยืนขาเดียวเงี้ยคุณโอ้ตายทีมีสองขายืนขาเดียวนาเสร็จแล้วนี่เนี่ย ก, ก็ทําตัวอย่างเงี้ยเขาก็ทําตัวเป็นนักบวชเปลือยอยู่อย่างนี้นานถึงห้าสบห้าปีโอ้นี่แค่ถ้าใครบวช บวชธรรมดาเนี่ยนะบวชในาศาสนาพุทธธรรมดาห้าสิบห้าพันษานี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วใช่ไหมไม่รู้จะเรียกมหามหามหาเถระยังไงแล้วนาะโอ้โหถ้าจะบวชตั้งห้าสิบห้าพันษานี่แต่เนี่ยดูทีบําเพ็ญผิ ด, ผ, ดผิดอย่างเงี้ยนะก็น่าทึ่งเลยนะแม้ว่าจะผิดทางเงี้ยคนก็ทึ่งอะ่ะทําให้มหาชนที่งมงายอย่างมิจฉาทิฐิสําคัญว่า เขาเป็นผู้มีตาบะแก่กล้ามีความมักน้อยสันโดษอย่างยิ่งจึงได้เลื่อมใสน้อมใจเคารพบูชาแก่เขาเป็นจํานวนมากโอ้โหขึ้นขึ้นพูง่ายนะปรากฏว่าทําขึ้นโอ้คนเคารพศรัทธาเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็เข้าใจว่าอย่างเงี้เป็นตาบะเป็นตาบะที่แก่กล้าไม่ใช่นะคําว่าตาบะเนี่ยแปลว่า ความเพียนเครื่องเาผาผลาญกิเลสที่มันถูกที่ถูกทางถ้าตะบะที่ปิดิดอย่างนี้ตะบนะนรกนี่ไ ม, ไม่ไม่เรียกว่าตบาบะที่ถูกต้องนะไม่เรียกว่าตบาบะที่แก่กล้าจริงฉะนั้น ต, ต, ตาตาบะที่แก่กล้าต้องไปถึงตบาบะที่ถูกต้องด้วยบางทีดูแล้วเนี่ยตบาบะที่ถูกต้องดูแล้วเหมือนไม่แก่กล้าเลยกินมือเดียวให้ได้ <laughs> กินมือเดียวให้ได้นะถือว่าเป็นพอดีถือว่า เป็นตะบะทำ ท, ที่ถูกต้องแล้วก็พอดีไม่ต้องอดกินก็ได้เออแต่กินมื้อเดียวออนี่เป็นตะบะ ท, ที่แก่กล้าเป็นตะบะ ท, ที่ดีไม่ใช่ตะบะ ท, ที่แก่กล้าก็คือสามวันกินสักมื้อนึงไงโอ้โหไม่ใช่เลยอันนั้นมันโตงแล้วอันนั้นไม่เรียกว่าตะบะแล้วอันนั้นเข า, า, ราเรียกว่านั่นแหละอัตากินเรมัฐานุโยกหรือว่าเรียกว่าฆ่าตัวตายทางอ้อม ค่าตัวตายแล้วมันไม่ทางอ้อมมันนั้มันทางตรงเลยอ่ะที่จริงเออทําไม่ได้ยังไงอย่างนั้นอ่ะมันเกินนะแต่เนี่ยแต่คนหลงอ่ะจะมีเยอะเพราคนหลงเนี่ยโอ้โหอย่างนี้มักน้อยอย่างนี้สันโดดโอ้โหอย่างนี้สิยอดเลยไม่ต้องเปืองแม้เสื้อผ้าเลยนะไม่ใช้เงินทองเวดูสิไม่ต้องใส่รองเท้าโอ้โหไม่ต้องกินแม้มังสวิรัตแม้เนื้อสัตว์ไม่ต้องเลย กินอุจจระลูกเดียวเลยอ่ะโอ้โหคุณคิดดูเอาฟังแล้วยังไงเนี่ยเนเอาก็นีีอยู่มาได้ตั้งหลายปีไม่ตายหรอกถ้าตายก็ปปานนี้จะไปอยู่ถึงเหรอนี่เป็นชีเปือยมาห้าสิบห้าปีแล้วกว่าจะโตเป็นหนุ่มมาอีกกี่ปีคุณคิดดูสิ นเพราะฉะนั้ยอย่างน้อยต้องอายุต้องเท่าไหกสิบกว่าปีล่ะนะก็ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริในพระทัยว่านักบวชเปือยผู้นี้สามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้โอ้โฮแสดงว่านี่บุญเก่าที่สะสมมายังยังมีนะโอ้นี่เป็นวิบากท่านที่ท่านไปทําปิดพาาที่ไปลิสยาใช่ไหมแต่บุญเก่าที่ท่าน ทำมาดีก็มีอยู่เนี่ยแล้วก็ใช้นี่ไปด้วยใช้นี่เก่าไปด้วยแล้วก็ส่วนที่ดีก็มีอยู่นี่แสดงว่าเนี่ยพุทธเจ้าต้องเนี่ยต้องตาระดับพุทธเจ้าเงี้ยนะถึงจะรู้ว่าโอ้คนนี้ยังโปรดได้ตั้งแต่ที่เป็นเราเห็นอย่างนี้เราโอ้โหไม่ไหวแล้วใครจะไปคบคาด้วยอย่างนี้คงไม่ไหวแต่พุทธเจ้าท่านเห็นได้พระ อ, องค์จึงเสด็จไปหาไปหาเขาเลยนะเคิดดูสิพุทธเจ้าอุตสาหไปหาเลย ไปหาถึงที่เลยแ ล, แล้วแสดงทำให้ฟังเพียงการฟังทำจบเท่านั้นเขาก็ละมิจฉาทิฏฐิเสียได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วขอบวชกับพระาศาสดาโอ้โหแม่ง่ายอะไรปานชนิดหกสิบกปีอายุอะใช่ไหมนี่ห้าสิบห้าปีนี่หมายถึงบวชเป็น นักบวชเปลือยมาห้าสิบห้าปีก็เนี่ยอยน้อยอย่างน้อยน้อยที่สุดที่หมูขี้หมาต้องหกสิบปีอ่ะขึ้นไปเนี่ยแต่ผู้เจ้าอุตสาไปหาแล้วแสดงทำให้ฟังจบเท่านั้นเองพอจบปั๊บแสดงว่าจบปั๊บนี่เกิดสัมมาทิฏฐิทันทีเลยวันนี้เนี่ยแสดงว่าบุญเก่าที่ท่านมีสัมมาทิฏฐิอยู่เนี่ย มันต้องมีอยู่นะต้องมีสัมมาทิฏฐิเก่าอยู่เนี่ยของท่านมีอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยเพราะวิบากกรรมที่ท่านไปลิษยาใช่ไหมแล้วท่านก็ไปไอเนี่ยมันก็ไปปิดกั้นมันก็ไปทําให้สัมมาทิฏฐิมีอยู่เนี่ยมันก็เลยโดนไอพวกมิจฉาทิฏฐิพวกเนี้ยปิดกั้นปิดกั้นปิดกั้นมันก็เลยยากแต่ตอนนี้ก็ใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยแม้นี่เก่าก็ค่อยหมดไปหมดไปนั้นแต่ท่านก็ยังมีใจที่ยังจะแบบบําเพ็ญเห็นไหม เพียงแต่มันผิดทางเนี่ยเอ่อจนกระทั่งมาเจอระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงแนะนำก็ไม่รู้ว่าท่านพูดยังไง น, นะนจริงๆถ้าเขามีขยายว่าใช้สูตรไหนใช้อะไรที่ทำให้นักบวชชีเปือยนี่ปรับความคิดเปลี่ยนความคิดมาได้เนี่ยแม่เราจะได้ออามาใช้บ้าง แต่จริงๆก็คงหนีไปพ้นสูตรต่างๆซึ่งเราก็ฟังมาเยอะแล้วนะพุทเจ้าท่านก็โอ้ยมีให้เราตั้งเยอะแยะเราก็ฟังมาเกือบหมดแล้วนี่โอ้โหสูตรอะไรต่อสูอะไรนะแต่เราแม้จบแล้วจบอีกจบแล้วจบอีกหลายจบแล้วอ่าตอนนี้ใช่ไหมพอก็ขอบวชพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าท่านจงเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากาวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยถูกตรงเถิดนะพระเจ้าทันทีเลยวัน พ, พอขอบวชพระผู้เจ้าอนุมัติทันทีเลยบวชได้เลยสมัยก่อนเนี่ยพระผู้เจ้าอนุมัติแค่นี้คือถือว่าบวชแล้วนะอันนี้ถือว่าบวชแล้วเราเราเรียกอะไรเอหิปิคุอุปสัมปทา นั่นคือการบวชที่พระเจ้าท่านเพียงตรัดออกมาเป็นวาจาเท่านั้นเองสั้นๆแค่นี้แหละถือว่าจะบวชแล้วคำตรัสนี้ถือเป็นการอุปสมบทให้แล้วของพระศ า, าสดานับแต่นั้นมาพระชัมภูกะเทระก็ข้นขวายในวิปัสสนากระทั่งได้ดำรงอยู่ในอรหัตผลเหลือเชื่ อ, จ ร, นะ อ, อจริงๆิงเนาะโอ้โหจริงๆถ้าเป็นใครทามาถึงห้าสิบกว่าปีหสิปี นะ้าปิดที่ปิดทางมาอย่างนี้แหมมันไม่น่าจะกลับตัวทันแล้วนะที่จริงอะ่ะมันน่าจะหมดแรงกลับตัวแล้วนะโอ้โหนี่ยังกลับได้นะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแต่นี้มันไม่ใช่นิทานนะนะอันนี้มันเรื่องเรื่องจริงนะประวัติของของพระภิกษุที่เป็นพระอ า, ารัานรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสอนให้เรารู้จริงๆแล้วว่าบางคนเนี่ย คิดว่าบางทีเราทําอะไรผิดพลาดไปแล้วนะแล้วเราเราเองเราบางทีมาน้อยใจมามัวเสียใจบอกว่าโอ้เราคงกลับลําไม่ได้แล้วเราคงอย่างนั้นอย่างงี้ไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปตามพิธากรรมต่อไปอีกนี่แหละนะไหนไหนก็กินไปแล้วก็กินให้มันหมดชามไปเลยนะไหนไหนก็ผิดไปแล้วก็ผิดมันไปเรื่อยเรื่อยนีย่ประเภทเนี้นะอย่างเงี้ยไ ม, ไม่ไม่มีทางกลับลําได้อะเออ ก็คงต้องรอพระพุทธเจ้ามาโปรดไม่มีทางนะก็ไม่รู้น่าจะโปรดสําเร็จไหมนะเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่มีมีกลับลําอะไรเลยนี่มันจริงๆเนี่ยไม่ต้องรอหรอกแล้วเราเองเรารู้ว่าอะไรเนี่ยที่เราไม่ดีเราบกพร่องอยู่คุณควรจะกลับเองเลยอ่ะใช่ไหมไม่ต้องรอใครมาบอกอีกแล้วเรารู้อยู่แล้วนี่อันนี้มันไม่ดีอยู่แล้วนี่มันผิดพลาดมันบกพร่องแก้เขาที่พยายามันแก้เขา มาเชื่อเลยว่ามันมันต้องแก้ได้เร็วแน่เพราะถ้าเราเนี่ยไม่มีเชื้อของคุ ณ, คณงามความดีที่เราสะสมมาบ้างแล้วท้อเอ้ยมันจะมาถึงขนาดนี้เหรอถอย่างน้อยเราต้องมีเชื้อที่ดีอยู่แล้วนะต่นี้เหลือความพยายามที่ไม่ตามใจกิเลสเท่านั้นแหละนะอาตานินะปรากฏว่าอา้าวท่านบรรลุธรรมไปแล้วข่าวใดที่ท่านทบทวนอดีต ได้เห็นถึงการปฏิบัติผิดของตนแล้วมักจะกล่าวว่าอ่านี่ท่านทบทวนตัวเองอันนะเราเคยได้ทำบาปกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกคติเป็นอันมากคำว่าทุกคติในที่นี้หมายถึงว่าท่านทำไม่ดีมาเนี่ยน่าจะเกิดกี่ชาติต่อกี่ชาติหรือแม้แต่ชาติชาติที่ท่านยังไม่บรรลุมาเนี่ยนะท่านก็ต้องไปชั่วคือมันไปผิดที่ผิดทางอยู่เรื่อย พ่อไปสะสมแต่อย่างนั้นเนี่ยนะเป็นอันมากถูกโอคะใหญ่คําว่าโอคะนี่หมายถึงว่ากิเลส ท, ที่มันมันลุมมันท่วมทับใจคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโอคานะเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับแหมทะเลเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่มันโอ้โหเวลามันโถมทับเราเนี่ยมันโอ้โหเราเคว้งคว้างอยู่ในนั้นน่ะไปไหนก็ เจอแต่น้ำเจอแต่ฟ้านะไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ ย, ยมันถูกโอคาใหญ่เนี่ยถูกกิเลสเนี่ย โ, โหท่วมทับอยู่อย่างนั้นนะพัดพาไปอยู่แต่เมื่อได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งและการที่ทำของพระองค์เป็นธรรมอันเลิศทำให้วิชาสามเราได้บรรลุแล้วเราได้กระทากิจของพระาศาสนาเสร็จแล้ว นะท่านก็บอกเนี่ยในที่สุดท่านก็พบพุท ธ, ธะเนี่ยจนได้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยอยู่ดีไม่ใช่พุท ธ, ธะมาโปรดแล้วก็เข้าใจได้เลยไม่ใช่นะถึงบอกว่าคุณต้องมีเชื้อสะสมมาถ้าคุณไม่สะสมมาเนี่ยโปรดยังไงไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องมีที่พพุทธเจ้าท่านบอกว่าเออคนนี้นี่มีสิทธิ์ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้แสดงว่าท่านมีอันนี้อยู่แนละ้วไง จะต้องมีอยู่ขนาดหนึ่งที่ผู้เจ้าเห็นว่าโปรดแล้วขึ้นอท่านถึงไปโปรดถ้าโปรดแล้วไม่ขึ้นท่านจะไปโปรดทําไมอ่ะแสดงว่าสอนไม่ได้แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นอเวนัยศาสต ร, ร์คือสอนไม่ได้ถ้าไม่ไปโปรดให้เมื่อยหรอกแต่แสดงว่าเนี่ยมีเชื้อของสัมมาทิฏฐิของความดีมากพอเหมือนกันนี่ยแต่มันโดนปิดกัน้นอย่างที่ยตมาบอกเพราะฉะนั้นแล้วมันโดนกิเลสนั่นเองปิดกัน้นมันก็เลยหลงอยู่อยู่ผิดที่ผิดทางมา พระพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพอท่านสอนปับ๊บนี่ก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะแล้วก็บําเพ็ญจนกระทั่งได้วิชาสามจำได้ไหมวิชาสามมีอะไรบ้างบุเพน่วาสานุสติญาณบุเพก็คือการอะไรการระลึกนี่แหละการรู้ตัวนะระลึกเอาชาตินี้แหละไม่ต้องไปเอาย้อนหลายๆชาติหรอก ชาติเนี่ยมันระลึกรูก้ตัวให้ไวขึ้นอะไรไม่ดีก็รีบรีบรืบ้เ ล, ล, ล, ล, ลิกซ ะ, ะจูตูป ป, ปปาตยานก็เนีเนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วนะโอ้โหพอเราเรางับได้เราไม่ไปปรุงมันเพิ่มโอ้มันบรรเทาลงแมสบายเลยถ้ามันบรรเทาลงโอ้อาการของจิตเป็นอย่างนี้นี่เองเวลามันเกิดมันทุกข์อย่างนี้นี่เอง โอ้โหเวลามันดับมันได้แม่มันสบายใจขึ้นโอ้โหไม่เป็นลิษยาใครไม่ต้องมีใจร้อดไม่ต้องหน้าดำกับใครโอโ้สบายจยังเลยเนี่นี่มันได้อันนี้ขึ้นมาจนกระทั่งฮะอย่างที่สอาสวัคยาญยาณ น, นะญาณที่รู้ว่าอันนี้กิเลสหมดเกี้ยงแล้วเรื่องนี้เกลี้ยงเกาหูสุดยอดเลย แสนสบายนะัเนี่ยท่านก็ได้วิชาสามนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะฝากไว้เรื่องนีเ้เรื่องของริษยานะมุมของเรื่องของความริษยาเพราะฉะนั้นเอาอันนี้ไประวังให้ดีว่าโอ้โหไม่รู้กี่พันกี่หมื่นชาตินะกว่าจะโอ้โหค่อยๆใช้นี่แค่ไปริษยานี้ไว้กว่าจะหมดได้ นานแสนนานเหลือเกินนะต้องมาเจอระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะ่ะถึงจะแก้ได้ถ้าไม่เจอพุทธะเนี่ยไปเจอศาสนาอะไรอื่นแก้ยังไม่ได้แก้ไม่ออกต้องเจอศาสนาพุทธหรือเจอพุทธเจ้าเท่านั้นอถึงจะได้สัมมาทิฐิคืนมาแล้วก็มิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่ถึงจะเกลี้ยงเก่าไปได้อ้วันนี้คงพอเท่านี้นะ Bye.